คนเราเนะีเวลารู้สึกเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นเพราะโาครคภัยไข้เจ็บหรือเพราะผลข้างเคียงจากการรักษาเนี่ยส่วนใหญ่มักคิดว่ามันเป็นเรื่องของกายล้วนๆที่จริงความเจ็บปวดแม้จะเกิดขึ้นกับกายเนี่ยแต่ความรู้สึกเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของใจด้วยนะอันนี้คนมักจะมองไม่เห็นนะไปคิดว่า เป็นเรื่องของกายลุ่นลุ่คนเราเวลาเจ็บปวดนะเราก็ย่อมคาดหวังยาแล้วเชื่อมั่นว่ายาเนี่ยมันจะช่วยบรรเทาปวดได้โดยพัสถปวดหนักๆเนี่ยนะก็อยากได้ยาแรงๆนะเช่นมาเฟีนเนี่ยอยีกคนนึงเนี่ยเป็นมะเร็งนะแล้วก็ปวดมากนะหมอก็ให้มาเฟีนนะแต่ว่าให้ได้เนี่ยแค่ ทุกสามชั่วโมงเพราะว่าถ้าให้มากกว่า น, นั้นมันจะไปกดการหายใจแต่ว่าพอให้ยาไปแค่ชั่วโมง ก, กว่าชายคนนี้ก็บ่นว่าปวดมากปวดเหลือเกินอยากได้ยาตอนนั้นหมอก็ไม่อยู่แล้วก็โพยาบาลทุกคนก็รู้ว่าจะให้หมอฟีนเนี่ยตอนนั้นไม่ได้นะมันต้องรอให้ครบสมชั่วโมงก่อน แต่ผชายคนั้นก็ร้องปวดด้วยความทุกข์รมานมากพยาบาลคนหนึ่งทนไม่ไหวนะก็เลยไปให้ยาพอให้ปุ๊บนี่ชายคนนั้นก็รู้สึกสบายขึ้นมาเลยไม่ร้องครวญครางต่อไปแล้วก็หลับได้อย่างสบายเลื่อพยาบาลก็ไปต่อว่าพยาบาลคนเนี้นะว่าไปให้มาเฟียได้ยังไงนะหมอสั่งนะมันต้องให้ทุกสามชั่วโมง พยาบาลนั้นก็บอกว่าเผาไม่ได้ให้มอร์ฟีนนะให้ยาบรรลุหัวใจให้ยาบรรลุหัวใจนะั้นไม่ใช่มอร์ฟีนนะแต่คนเข้าใจแต่คนไข้เข้าใจว่าได้รับมอร์ฟีนก็เลยรู้สึกสบายใจหายปวดเลยหายปวดได้ยังไงนะทั้งที่ไม่ได้มอร์ฟีนหายปวดเพราะใจเนี่ยมันคิดว่าได้รับแล้ว มีความเชื่อมั่นในมอร์ฟีนว่าจะช่วยบรรเทาปวดได้พอคิดว่าพยาบาลให้มอร์ฟีนก็เลยสบายใจพอสบายใจก็เลยหายปวดแล้วสิ่งนี้มันน่าสนใจคือคนไข้หลายคนนะแม้จะปวดมากๆเนี่ยแล้วหมอให้มอร์ฟีนนะแต่หมอไม่ได้บอกนะว่าที่ให้เนี่ยเป็นมอร์ฟีนหรื อ, อยาระ ง, งับปวดปอกากิว่า ความเจ็บปวดทุเลาลงเนี่ยช้ามากนะผลนี่มันจะจะไม่ดีถ้าหากว่าบอกถ้าหากว่าคนไข้ไม่รู้ว่าไอ้ยาที่ได้รับนี่คือมอร์ฟีนแต่ถ้าบอกคนไข้นะว่าเนี่ยกำลังให้มอร์ฟีนนะคนไข้ก็จะรู้สึกดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะอันนี้ก็แสดงว่าให้ยาอย่างเดียวนี่มันไม่พอนะคนไข้ต้องรู้ด้วย หรือคนไข้ต้องเชื่อว่าที่ให้เนี่ยเป็นของดีให้ยาระ ง, งับปวดแต่ไม่บอกคนไข้ว่าเนี่ยกำลังให้มอร์ฟีนเนี่ยฤิ์ยามันก็จะให้ผลช้าให้ผลไม่ดีเท่ากับการที่คนไข้รู้ว่าเนี่ยได้รับมอร์ฟีนหรือเข้าใจว่าได้รับมอร์ฟีนเนื่องความคาดหวังหรือความรับรู้ของคนไข้เนี่ยก็สาคัญนะพอรับรู้แล้วใจก็สบายพอใจสบาย มันก็ทำให้ความเจ็บปวดทุเราลงจะไปคิดว่าไอ้ความเจ็บปวดทุเราลงที่เป็นเพราะลิจจาอย่างเดียวเนาะแต่เป็นเนพ็นเพราะความเชื่อความคิดของคนเราด้วยก็คือเรื่องของจิตใจนั่นแหละมีข้อเคยมีกา ร, การทดลองนะเวลาถอนฟันคุดเนี่ยฟันคุดเนี่ยมันฟันกรามนะแต่ว่ามันไม่มีประโยชน์ ถอนฟันคุดเนี่ยคนไข้จะปวดมากแล้วก็มีวิธีบรรเทาปวดนะโดยการใช้เครื่องอุตราหา์เนี่ยคอยเป็นนวดแถวกรามบริเวณที่ใกล้ๆ ก, กับที่ถอนฟันคุดคนไข้จะรู้สึกดีขึ้นเลยดีขึ้นมากแต่ตอนหลังเนี่ยเวลาถอนแล้วเนี่ยเขอเอาเครื่องอุตาสาห์มานวดก็จริงนะ แต่ไม่ได้เปิดเครื่องยัไม่ได้เปิดเครื่องนะแต่มันก็คนไข้ก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันดีขึ้นแปลว่าอะไรแปลว่าให้ความรู้สึกว่าดีขึ้นหรือบรรเทาความปวดลดลงเนี่ยนะมันไม่ได้อยู่ที่เครื่องอุตตาสาวอย่างเดียวนะมันอยู่ที่จิตใจของคนไข้เลยเวลาให้ยาก็เหมือนกันนะก็พบว่า ยาเนี่ยไม่ใช่ยาระงับปวดอย่างเดียวนะยาที่เกี่ยวกับการรักษาโรคเนี่ยถ้าว่าให้ยาที่มีสีนะแล้วก็มีเหลี่ยมจะให้ผลดีกว่ายาที่เป็นเม็ดขาวๆแล้วก็ไม่มีเหลี่ยมแล้วก็เพราะว่าเนี่ยยาที่เป็นเม็ดสีแดงๆนะจะให้ผลเร็วกว่ายาเม็ดขา ว, ขาว นี่ทำไมสีของอยาที่มันสำคัญนะเพราะคนไข้เนี่ยเขารู้สึกว่าเนี่ยไอ้ยาสีแดงๆเนี่ยมันจะดีกว่ายาเม็ดขาวๆไปถ้าให้ยาแพงๆนะบอกคนไข้นี่ยาราคาเป็นร้อยนะมันจะให้ผลได้ดีได้เร็วกว่ายาที่หมอบอกว่ามันราคาไม่กี่บาท เราคนธรรมด า, าเขาจว่าในยาแพงๆเนี่ยมันจะก็ต้องดีกว่าให้ผลดีกว่ายาถูกๆแล้วเคยมีการทดลองนะหมอเนี่ยให้ยาจะให้ยาคนไข้แต่บอกว่าไอ้ยาเนี่ยมัน้มันแรงมากจับด้วยมือเปล่าไม่ได้ต้องใช้ขีมขีบนะต้องใช้ขีมขีบยาก่อนที่จะให้คนไข้โดยบอกว่าเนี่ยยามันแรงจับมือเปล่าไม่ได้ ต้องใช้ขีนขะีดนะบอกว่าคนไข้พอได้กินยาแบบนี้แล้วเนี่ยโอ้มันดีขึ้นเลยทั้งทั้งที่เราถ้าเราใช้สามันสานึกเราก็รู้ว่าหมอนี่ยเขาหลอกยาที่ไหนนั้มันจะแรงจนกระทั่งจับด้วยมือเปล่าไม่ได้แต่คนไข้เนี่ยเขามีความเชื่อว่าโอ้ยาแบบนี้มันแรงนะต้องใช้ขีมขีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะให้ผลเร็วพอคิดว่ามันให้ผลเร็วนะมันก็ผลเร็วจริงๆนะ ให้ผลเร็วมากกว่ายาที่ให้กับคนไข้ด้วยมือเปล่าทั้งที่เป็นยาตัวเดียวกันแต่ให้ด้วยมือเปล่ากับให้ด้วยการจับคีมคี้นี่ไม่เหมือนกันนะอ น, นี่มันก็เป็นเรื่องที่เชื่อเลยนะว่าเป็นเรื่องของความรู้สึกมากนะแล้วเดี๋ยวนี้มันมีการรักษาชนิดหนึ่งนะที่เป็นที่นิยมมากในช่วงระยะหลังคือการรักษาโรคข้อเขา่า โรคข้อเข่าเสื่อมอย่างนี้เป็นกันมากนะคนแก่และ ว, วิธีการที่เขาที่เริ่มมันนิยมก็คือการผ่าตัดด้วยการสองกล้องนะแล้วคนไข้ก็รู้สึก ด, ดีขึ้นเลยนะจํานวนมากตอนนี้หมอเขาลองอยากจะทดลองนะว่าไอการผ่าตัดด้วยการสองกล้องเนี่ยมันได้ผลดีจริงหรือเปล่าก็เลยมีการทดลองกับคนไข้กลุ่มหนึ่งนะ มีการผ่านะผ่าเป็นเป็นผ่าเล็กๆแล้วก็ทำทุกอย่างเหมือนปกติเว้นแต่ว่าไม่ได้ส่องกล้องไม่ได้ส่องกล้องเสร็จแล้วก็เย็บแล้วก็ติดตามอาการปรากว่าให้ผลดีไม่ต่างจากคนไข้ที่ มีการสองกล้องหรือผู้อยา่เนี่ยก็ว่าก็คือว่าคนไข้ที่ได้รับการผ่าด้วยการสองกล้องเนี่ยจํานวนที่หรือสัด ส, ส่วนที่มีความรู้สึกว่าดีมันหายป่วดไปเยอะเลยนะเขาก็ดีขึ้นตัวเลขไม่ได้มากไปกว่าคนไข้ที่ผ่าก็จริงแต่ไม่ได้สองกล้องมันก็เลยเกิดคําถามขึ้นมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่คนไข้รู้สึกดีขึ้นเนี่ย เป็นเพราะการรักษาด้วยเทคโนโลยีล้ายุคหรือว่าเป็นเพราะจิตใจของคนไข้ที่รู้สึกว่าได้รับการรักษาด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพแต่ถ้าการรักษามันดีจริงทำไมคนไข้ที่เขาไม่ได้รับการส่องกล้องเนี่ยแต่เข้าใจว่ากำลังได้รับการรักษาด้วยวิธีนี้จึงรู้สึกดีขึ้นแสดงว่าเป็นเรื่องของใจล้วนๆหรือเรื่องของใจมากทีเดียว ความคิดความเข้าใจความคาดหวังนี่มันก็มีผลต่อความรู้สึกทางกายของคนเราเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเนี่ยไอ้ความเจ็บปวดเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของกายรัวๆนะเป็นเรื่องของใจด้วยถ้าใจดีใจสบายมีความเชื่อมั่นในการรักษามีความเข้าใจว่าถ้าเรการรักษาแล้วมันจะรู้สึกดีขึ้นแต่ถ้าใจไม่ดีใจไม่สบายเพราะรู้สึกว่ายังไม่ได้รับการรักษาหรืออาจจะมีโรค เราจะมีปัญหาอื่นเขามาใช่มีความโกรธความเกลียด ม, มีความวิตกกังวลพวกนี้จะทําให้ความเจ็บปวดรุนแรงมากขึ้นนั่นที่โบราณเขาว่าเนี่ยจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนี่มันสําคัญนะจิตเป็นนายจริงๆนะถ้าจิตรู้สึกว่าสบายได้รับการรักษากายมันก็คล้อยตามไปด้วยเราก็เตรียมรับพร